อยากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อเราได้รับทำคําสอนของท่านนํามาประพฤติปฏิบัตินะจะนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอย่าให้มันผ่านไปเฉยเฉยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นํามาปรัปรุงกายวาจาใจของเรานะ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 โทุทธให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดิน mm hmm. เดินนานไหมนานเท่าที่จะนานได้บางคนก็ถูกจดตกับการเดินเพราะว่าการนั่งมันหลับมันงกง่วกมันหลับแต่บางคนก็เดินซะก่อนเดินให้เพียงพอซะก่อนเดินให้เหนื่อยซะก่อนจากนั้นก็มานั่งมานั่งกัตรมารทีกราบ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 อันนี้เมื่อขณะที่เราเดินถึงจะไม่สงบเราก็พยายามข้าขวาพุทขคา้ายโทพุทโทพุทโทอยู่ตลอดเอจากนั้นพอสงควรมันเหนื่อยแล้ะเราก็กลับขึ้นไปกระลบาบพระไหว้พระอย่างที่ว่าจากนั้นก็เข้าสมาธิเลยกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบางคนขณะที่เราเดินย่ังกลมมันการเคลื่อนไหวอมันรวมสงบได้ยากอย่างที่ว่า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 เลือกสวนไร่นาบ้านพักพาอาศัยยศถาบรรดาศัก์พี่น้องลูกหลานวงานาศาคณะญาติญาติมิตรสหายเงินคําทรัพย์สมบัติวัดป่ป า, าศาสนาบริขารของใช้ทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของเราใช่ไหมอใจก็ต้องบอกไม่ใช่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยเท่านั้น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 เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิแล้วที่นี่นะ